เรื่องทารกชาวกรุงพระนศีหนึ่งเรื่องหนึรตระกูลอุปถัมของท่านพระปิลินทวัตชะในกรุงพระนศีถูกโจรปล้นและพาเด็กไปสองคนต่อมาท่านพระปิลินทวัตชะช่วยนําเด็กหนีออกมาไว้ที่ปราสาทด้วยอิทริศชาวบ้านเลื่อมใสว่านี่เป็นอิทฐานุภาพของท่านพระปิลินทวัตชะโดยแท้ ภิกษุทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพธนาว่าชนณท่านปิรินทวัตชะจึงนำเด็กที่พวกโจรพาตัวไปมาเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีฤทธิ์ไม่ต้องอาบัติเพราะวิสัยแห่งฤทธิ์วงเล็บเรื่องที่148